ไม่เชินไม่หอมแต่ยา่าคววงเข้ามาให้แห เ น, น า, าเาแต่ไม่อยากเจอเนื้อเขาความหูความตเาเปลา่าเปล่าจะพาเขามาทำไหมเธอบอกเลือกฉันเสื่อไปมีเขาเป็นคนรู้ใจแต่ยังกลับมาทำร้ายควงเขาให้เห็นทุกที ค่คร้ฉันอกักซ้สองไม่รักทำไมยังต้องส้าเติมใจกันยามนี้ อ, อกหักวันนั้นอยากบอกว่าฉันยังไม่หายดียมมาเย้ยกันอย่างนี้ฉันมันทำใจไม่ได้ไม่ฮึ่ว่า มารกกันนี้็รู้ว่าแอนุกใจเมื่อยอยู่กับเขาแต่เธอรู้บ้างหรือเปล่าคุณหนาเศา้าอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเธอกับเขาน่าสมกันดีอย่าพอร้อง้งทีต่อไปนี้อยากห่วงเขามา มารักกันไปไกลไม่หึ่งไหวหโวงแต่ย่าทวงเข้ามาได้ไหมไปรักกันให้ไกลอย่ามารักกันแถวนี้ก็รู้ว่าเธอุกใจเมื่ออยู่กับเขาแต่เธอรู้บ้างหรือเปล่าคนดาวเ้าอยู่ตรงนี้ก็รู้ กันดีอย่าพอร้องเธออีกต่อไปนี้อย่าควงเขามาพอรู้แล้วว่าเธอกับเขาน่าสมแตนดีอย่ามารักกันแ่วนี้ไปรักกันให้ไกลไกล